มันจะต้องเป็นตัวอันจังเป็นผู้ควบคุมอยู่อันนี้ต้องไปภาวนา <c oughs> สามารถทีจ่จะเห็นในกัมพีอะไรก็ไม่รู้สมัยนั้นก็ว่าคำพูดคำพูดของนักบากที่ถูกต้อง ไม่ขาดจากอนิจจังอันนี้ก็จริงอนิจจังถ้าไม่มีอนิจจงเนะี่ไม่ใช่คํำพูดของนักบลาศหรือไม่ใช่คํำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คํำพูดของพระอริตเจ้านนั่เองคือเป็นคํำพูดที่เดี ว, ว่าอืยังไีนน่อีความจริงที่ยอมรับ สิ่งทั้งปวงก็ต้องมีทางระ บ, บายคิดพิจารณาไปหลายๆอย่างแล้วก็มีเรื่องไม่ใช่เรื่องจิตมีเรื่องระ บ, บายอืมจิตใจเรานี่คือมันตันอารมณ์ที่ไม่ระบายอารมณ์นี้จิตไม่ระบายอารมณ์นี้ก็เ ร, ยรียกว่าอ่า เมาจิตมึนเมาปฏิบัติอะไรก็ทุกอย่างในความว่าอย่าเมาปฏิบัติแขนว่ามันจะดีก็อย่าเมาดีดีถ้าเมาเดีเป็นผิดเดีเป็นไม่ถูกละ <c oughs> เราะจะ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 ถ้าเมาเรียผิดถ้าเมาเร้ยไม่ถูกถึงเป็นเรื่องดีอยู่ก็จะเมาดีถ้าเมาดีมันก็เลยเกิดที่ว่ามันไม่ดียายมันเมาให้รู้มันก็เหมือนกระที่สร้างเขื่อนที่มีทางระบายนะ้ยไม่ปิดให้ตายตัวมันก็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 นานๆไปนะมันดุ่มดุมดอนๆแบนี้แต่เรื่องจริงๆของมันนั้นไม่มีใครควบคุมมันมันเกิดเป็นเรื่องของเก่าคือธรรมชาติมันไม่มีเสื่อมเรื่องคนที่ถอดสมาเป็นขั้งที่สองที่สามเนี่ยถึงแม้มันดีมันเจริญมันก็มีการเสื่อมนก็เหมือนกันที่คนเราที่ว่ามันมากเข้ามากเข้าอย่างเนี้ยมันก็ทำความยุ่งยากกันมา ตามเรื่องของมันเพราะว่ามันมากมจะมีคนสอนว่าให้ดีๆเท่าไรเป็นต้นมันก็สอนได้แต่ว่า ม, มันก็ไม่เหมือนความจริงของมันสัจธรรมที่มันเป็นจริงของมันนั่นนะ่ะไม่มีใายจะเสื่อมตามไม่มีรายจะเสือสอเส่อมตามเพราะอันนั้นมันคงที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น อันนั้นไม่เป็นเติมต่อเป็นสัจะธรรมที่ว่ามันเกิดขึ้นมาอยู่มันเป็นก็มันอยู่อย่างนั้นสาวกองค์ใดผู้ประพฤติปฏิบัติคนไหนก็ตามน่ะเ <c oughs> <c oughs> จะต้องพยายามไปรู้ตรงนั้น <c oughs> เห็นตรงนั้น <c oughs> ปฏิบัติตรงนั้นเ <c oughs> ทียบเทียงออกมานานๆไปมันก็ช่วยระบายออกไป เสื่อมไปไอ้ต้นตอมันก็ยังอย่างเก่าอันนั้นมันยังอยู่อย่างเก่านะนเดิมของมันนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ของดอนทันเะใหรสอนว่าให้กาหนดแล้วก็ให้พิจารณาคู้ปฏิบัติหากวันจิงหนึ่งอย่าติดนอย่าติดในความผิดของเราอย่าติดในความรู้ของเรา อย่าติดในความรู้ของคนอื่นอย่าติดในความรู้ของใครรู้ให้รู้เป็นพิเศษนี้ไว้คือปล่อยให้สัจธรรมความจริงจรระเบิดขึ้นเต็มที่มันอยู่เสมอไม่ได้ไปยัดแยกตรงไหนอันนี้กำลันกั น, นเราอบรมจิตของเรานี่เือเรา อ <c oughs> พิจารณาตัวสัจธรรมจริงๆคือเรื่องจิตใจของเรานี้เราจะเห็นชัดถ้าหากว่าใครสงสัยอะไรตรงไหน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 ไอ้มันถูกอะไรขึ้นมาหลายอย่างมีทางกลัวบ้างมีทางอะไรหลายอย่างอย่าง น, นี้เราจะอาศัยอะไรมะไมในนีเรื่องจะอาศัยอันนี้เรื่องเคยเป็นมาแล้วเรื่องตัวตัวก็เคยผ่านมาเรื่องอันนี้ไอ้เรื่องจิตเนี่ยที่มันหลงที่มันก ล, ลัวมันกลัวจนหาที่พึ่งไม่ได้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 แต่อย่างไรก็ตามท่านจิตในเวลานี้ท่านคอยเท่งรู้จิตที่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องหมายอย่าวิ่งออกไปตามอารมณ์ข้างนอกอย่างอื่นเรื่องราวที่เราปีนาอันใดสารพาัดอย่างที่มันเป็นมานั้นมันก็มาจบอยู่ตรงที่มันเกิดข้เอเหตุมันอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องสําคัญเมื่อหากว่าเรามีความกลัวพูดง่ายๆเราเห็นง่ายๆคือความกลัวของเกลัวจนก่าทั้งมันหมดกลัวมันก็เลยไม่กลัวเพราะว่ามันหมดมันหมดวิธิของมันแค่มันก็ไม่กลัวไอ้ที่มันไม่กลัวคือมันวางมันจะเป็นอะไรอะไรมันยอมรับทั้งนั้นนะมันก็เลยหายกลัว เอคือเรื่องมันยอมรับทุกอย่างก็เหมือนกันฉันนั้นที่เรื่องเราปฏิบัตินี่ไ <c oughs> อความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านให้เชื่ออย่างนี้ไม่เชื่ออย่างนั้นเชื่อที่ว่าอย่าไปปิดความเห็นของเราเองอย่าไปปิดความเห็นของคนอื่นนี่ให้วางไปโดเฉพาะ ออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ม, มากมเราจะพยายามเอาความรู้ซึ่งมันเกิดมาจากความจริงจริงๆ อ, อ, อคือมายึดมั่นหรือถือมั่นในความเห็นของเราแต่จะมายึดมั่นถือมั่นในความมิ่งของคนอื่น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 บางทีก็เข้าใจผิดหลายอย่างเช่นการภาวนาเราบางคนก็าจะไปกำหนดอจนที่ว่าอาการของจิตนั่นมันเป็นยังไงไหมอย่างนี้ ก, ก็เลยจะกำหนดทุกอย่างทุกประการในเรืเ่อยๆวุ่นไปเช่นว่าเราให้พิจ า, ารณากันห้าขยายกันห้าเป็นอาการสามิสองหลายอย่างสารพัดอย่าง ครูว่าอาจารย์ว่าพิจารณาทั้งหมดแล้วพมาค้นคิดทั้งหมดนั้นนะห้าแล้วก็ยังไม่จบอาการ 32, 33, สามที่สองสามที่สามสาพัอย่างค้นไปแได้กว่าอย่างนั้นอันตรามาจึงเห็นว่า <c oughs> ถ้าหากว่าก้อนก้อนนี้ขันห้าที่เรานั่งนี่มันจะห้าจะหกจะเจ็ดจะแปดจะเท่าไรก็ช่างบันเธอ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 เขาอยากจะมันรู้แจ้งขนาดนั้นอืคิดมาต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างนี้อัตมาเคเทียบใน้ฟังว่ามันมีรากมันมีใบอมืมันอยู่ด้วยรากของมันนักศึกษาจะต้องรู้ว่ารากมันมีกี่รากรากน้อยรากคอยมันกี่รากรากใหญ่มันกี่รากใบมันกี่ใบอย่างเนี้ย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 จะไปนับมันได้ไหมแต่ก็เรียกว่าใบนะดูเอาใบใดใบหนึ่งเดี๋ยวก็แล้วกันก็เป็นใบแล้วก็พอเนี่ยรู้เลย ว, ว่าใบปะหูตัวนี้มันมีใบเดียวอย่างนี้รากปะหรูตัวนี้มันกืมีรากเดียวเท่านี้เป็นรากของมันนี่รากอื่นนอกนี่ไปก็เหมือนนี้ใบปะหรูอื่นนอก น, นี่ไปก็เหมือนใบนี้คนเรานี่คือเหมือนกันฉันนั้นรู้เราคนเดียวเท่านี้แหละ มันก็รู้จากคนหมดทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาล น, นี่แหละไม่ต้องไปตามดูใครนะพระพุทธองค์ให้ดูตนเท่านี้ละเหมือนก็เห็นตนอันเดียวเท่านี้แหละใครๆก็เป็นอย่างนี้ก้อนนี้ก็เป็นอย่างนี้สารมัญญลักษณะธรรมะท่านกล่าวว่ามันมีลักษณะเสมอกันอย่างนี้สังขารทางฟวงมันเป็นอย่างนี้อันนี้พวกมาพูดทีเดียวเราทำสมาธิกันเพื่อเจริญกิเลส เพื่อใจมันเกิดความรู้ให้เกิดความเห็นเพื่อเจรักันหานี้มีสองอย่างนี่บางทีก็เดี๋ยวสมถะแบ่งกันใช่สองกาวิปัสสนาก็เลย ม, มาทํากันให้มันยุ่ง ม, มากที่สุดตามความรู้สึกอย่างนี้ออย่างผู้ที่นั่งสมสาธิก็สรรเสริญในสมาธิ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 ไปฉันเห็นอันนั้นท่านนั่งสมาธิก็เพื่อจะเห็นอันนั้นเท่านั้นแหละอันนี้ฉันก็ไปเห็นอันนั้นแล้วอ่ะเมื่ออันนั้นมันเป็นอย่างนั้นทุกข์ฉันก็ไปเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้อนคุณนั่งสมาธิเห็นไอ้ภาชนะเช่นนี้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นในเบื้องหน้าในภาชนะอันนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไอ้นคุณก็ไม่มีทุกข์เพราะคุณนั่งสมาธิรคมจิตใจเห็นแล้วอย่างนั้นคุณก็ไม่มีทุกข์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 บังคับบัญชาอะไรบังคับบัญชากืันเรื่องเรื่องที่ว่าอานิจจังเทเบามันไม่เที่ยงมันจะไปแห่ไหนมันกรมม็รวมมาอยู่ตรงนี้ยมันไม่ไปที่ไหนแล้วมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเห็นมันชัดอืมเนี่ยเป็นเหตุให้เราปล่อยวางดังนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็ตะหักว่ามันถึงที่มันพอสมควรแล้วก็ปล่อยมันไม่ตามธรรมชาติมัน จะมีอะไรหรือไม่มีอะไ ร, ไ ม, มะ ไ, รไม่มีอะไรก็เฉยๆอยู่ถ้ามีอะไรกร็บทบ่ิจรน า, นามันถ้าไม่มีก็วางไว้ตามธรรมดามันธรรมชาติมันอยู่ไปตามธรรมดาเรานี่เองว่าอันนั้นเกิดขึ้นมามันทุกข์ไหม อ, อย่างนั้นมันยึดไหมยึดมั่นถือมั่นไหมอะไรไหมไอ้เครื่องประครับประคองมันมีอยู่เดีย ว, วถ้าก็ไปถึงจุดอันเดียวกันนั่นเห็นว่ามันจะมีความสง บ, บ เรียบร้อยทุกคนเมื่อหากว่าเรามาทําภาวนากันเนี่ยวิปัสนากรรมฐานอืมวิปัสนาธุระสมถธุระก็มีเรื่องเท่านี้เองสองอย่างนี้ก็เพื่อหเห็นว่าอันนั้นว่ามันเป็นอย่าง น, านั้นเท่านั้นแตนเรื่องภาวนาของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทุกวันนี้อืมมัน ถ้าว่าพูดตามลักษณะมันฟั่นเฟือกันเนกินไปแต่ละาท่จะทำไม่ในสัน้นเผืออะไรกันมันเ็นเข้อมันอยู่อย่างนั้นอัมอนตามา จ, จึงเห็นว่ามาค้นคว้าเบื้องต้นมันดีกว่าออกจากกำเนิดจิตของเรานี่ดไีไม่มากไม่มากเกิดแก่เจ็บตาย ย่อๆซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วจะพูดไปที่ไหนมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ให้มันเห็นชัดก็ไปให้มันยอมรับนะถ้ามันยอมรับแล้วมันก็จะวางของมันนะราบยศดันเถรเสริญสุขมินทาสารพัดอย่างมันก็จะวางพระมันยอมรับจยูแล้วอืมถ้ากว่าเรามาถึงที่สัจธรรมอันที่มันเป็นความจริงอย่างนี้น่ะนั่นจะเป็นคนที่อยู่ง่าย กินง่ายนอนง่ายพยูดง่ายทำง่ายอะไรง่ายๆไม่ได้เป็นของยากไม่ได้เป็นของลำบากว่าพฟิเบาดีสบายอืมนี่คือที่คนภาวนาที่มีความสง บ, บแล้วมันจะต้องไปในทํานองอันนี้ฉะนั้นการเราทำจิตทุกวันนี้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 โดยปฎิยายเลก็กกระซ่างประโยชน์คนอื่นโดยปฎิยายไม่ได้ขาดเลยอืมถึงท่านเสร็จแล้วท่านก็ยังทําอยู่ยังเป็นอยู่อันตรมาว่าคงให้ถือเอาอย่างนั้นที่เราทําปฏิบัติกันอยูน่นี้เรียกว่าเรียกว่ามันไม่พอสจะพูดเรีกว่ามันไม่พออมืมันเป็นสันดานอย่างนั้นเช่ไหมท่านไม่เคยทอดทิ้งความเพียรของท่าน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 เราจะเดินไปมันกว่ามีทางอะไรจะเสียหายเราจะนั่งอยู่ไม่มีทางอะไรจะเสียหายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีอะไรจะเสียหายสิ่งทั้งหลายเรานี้มันเกิดขึน้นเต็มอยู่มันถึงจุดมันแล้วที่เราวันนี้มาได้นั่งสมาธิใจเขาก็สบายอยู่แต่อพอมันเห็นสมาธินั่นคือว่าไม่ใช่ว่ามันมันนั่งมันเป็นสมาธิ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 ที่แบบสมบูรณ์บริูรอยู่เดีวมันเต็มอยู่อย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นอืไม่ได้สงสัยอะไรอีกและเนี่ยควรจะหยุดอยู่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะตรวจดูก็ได้สักกายทิฏฐิอย่างนี้วิจิกิจฉิาศีรพพระรมาตเบื้องต้นอย่างนี้ออกจากนี้ทั้งนั้นเลยมันจะรู้ไปตรงไหนก็นให้มนรู้ไปเถอะ จิตใจต้องออกจากอันนี้สักกายทิฏฐิวิจิจิตริจฉาทิฏฐาปรมาสนีเป็นเบื้องแรกจะต้องออกช่องนี้เลยสิ่งสามอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เรามีอยู่นี้เรารู้ในตัวเราไหมเราเห็นไหมว่าเป็นอะไรมอันนี้ใครจะไปรู้เรายิ่งกว่าเรารู้เราแล้วนี้สักกายทิฏฐิ นี่วิกิกิจชาศิระปตาปรมาสถ้าใครมาถืออยู่นี่มาสงสัยอยู่นี่มารูปคำอยู่นี่มันก็เป็นตัวเป็นตนอยู่นี้เองนะใครจะมารูปมาคํามันอย่านี่ใครจะมาสนใจในที่ถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็จะมีใครมาคาอยู่ตรงนี้ออ่เสิ่งทั้งหลายเนี่ยแต่มาเห็นว่ามันจะพร้อมกันละอืม พตรู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อืมมันจะจบในการประพฤติปฏิบัตินี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปก็เป็นธรรมดาอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้นอยู่เหมือนอริยเจ้ า, าของเราท่านอยู่อยู่ธรมรมดาเหมือนปุถุชนเรานี่ใช้คําพูดอย่างปุถุชนเหล่านี้เป็นอยู่อันเดียวกันทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่ปแปลกอะไรกันแล้วออเนี่ยอ่า ก็ใช่สมมติอยู่ตามธรรมดาไม่มีอะไรมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนสมมติอันนี้เท่านั้นแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงที่ว่าท่านไม่จีบเอาทุกข์มาใส่ใจของท่าน <c oughs> คือท่านใังมีทุกข์ย <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งสืบพันธ์มาก เพื่อพ้นทุกข์เพื่อดับทุกข์มันดับย<ม>ิบพานะก็ไปว่าดับมันดับทุกข์ดับร้อนดับสงสัยดับกังวลมันดับเย็นไม่ควรที่จะไปสงสัยมันมเรื่องการพื้ปฏิบัตินี้ อะไรที่จะมันสงสัยขึ้นมาก็อย่าสงสัยในสิ่งที่สงสัยนั้นย่ามันเข้าไปตรงนั้นงัดมันเข้าไปตรง น, นั้นไ อ, อสิ่งที่เราประพฤติอยู่สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่กับอารมณ์มันไกลกันมากที่สุดหะอืมันไกลกันมากที่สุดหะออย่างนี้ อ, อ, อันนี้พูดถึงที่ว่าจิตได้ประสบ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 ไอ้ความเปจริงนั่นท่านก็โยนให้เจ้าของนเองพระพุทธเจ้าของเราให้ดูเจ้าของโยนให้เจ้าของหาออาถ้ามันร้อนมันก็เป็นโทสะมันตึงเป็นสอกถ้ามันเย็นเกินไปก็เป็นฉุกอัก เป็นกามมื่สุกันการโยโคไปสอถ้ามันร้อนจะเป็นอจจะิดม้มาถ่ายโยโคไปสัไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันเย็นไม่ให้มันร้อนให้รู้จากการร้อนให้รู้จากการเย็นให้รู้เรื่องทุกสิ่งสารพัดที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันจะรวมเอาทุกสัตัวมันไหมมันเลดไหม อย่างที่นว่าชาติทุกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดชาตินี้แล้วตายไปเกิดชาติหน้าแตเป็นเป็นทุกข์เป็นมาอย่างนั้นอันนั้นมันไกลมากที่สุดเลยไอชาติทุกที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะ่ะนัะ่นเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> ที่ว่ามันมีพพอยู่ไอภพนั่นมันเป็นเหตุให้ชาติมันเกิดนี่ พบเนี่ยคืออะไรทุกอย่างอะไรที่ไปหมายมัน่นมันจัดเป็นพบทั้งนั้น <S <S เนีอยไอของที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นเขาเป็นข อ, ของของเราเนี่ยโดยที่ไม่แยบคายแต่มันเป็นพบทั้งนั้นไอสิ่งที่เรายึดว่าเป็นของของเรานั้นตลอดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่ามันเคลื่อนมันเปลี่ยนแปลงเนะี่ยมันเสะดุ้ง <S <S สะดุ้งคือเกิดดีหรือเกิดเสียเป็นมาอย่างนี้ไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นมาเกิดดีใจหรือเกิดเสียใจนั่นแหละคือชาติอืม mm hmm. คือชาติอืม mm hmm. เมื่อชาติเกิดขึ้นมากึงนาทุกข์มาชาติทุกข์ชาราที่ทุกข์พยาที่ทุกข์วรณะทุกข์ mm hmm. อะไรเราอยู่ในภพไหมเรามีภพไหมเห็น ได้มีพบไหมดูเงินด่าได้มีพบไหมได้รู้จกพบไหมดูเท่าทันพบไหมอย่างต้นไม้ในวัดเแ่านี้แหละอย่างเราเป็นสมมุติว่าวัดเราอย่างเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ว่าวัดเราจริงๆนั่นน่ะคนในวัดหรือสุมผ่านวัดเนี่ยจะไปเป็นตัวนอนอยู่ทุกต้นไม้ในวัดเนี่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 เมื่อถูกเขาตัดเขาสับอะไรเป็นต้นก็ถูกนอนคือตัวเราอืมสรุงขึ้นมาเลยเกิดเป็นชาติขึ้นมาเลยห่วงเป็นชาติทุกสรารทิทุกข์เนี่ยอันนี้เราดูรอบแล้วดูยังอันนี้สิ่งที่ไกลสิ่งที่อยู่ในบ้านเราสวนะมันไกลจากเราไปแล้วเราต ก, กมาที่ตัวที่เรานั่งอยู่นี่แหละที่ประกอบด้วยกันห้า ไอ้จำพวกนินจำพวกน้ําจำพวกไฟจำพวกลมที่มีอยู่เนี่ยที่ถูกสมมติสังขารว่าเป็นเราเห็นสังขารจริงไหมเห็นสมมติจริงไห ม, มถ้าเห็นสมมติไม่จริงเห็นสังขารไม่จริงตัวนี้จะเป็นตัวพวอมืมันจะดีใจในขันห้านี่แหละมันจะเสียใจในกันห้านี่แหละมันจะเกิดอยู่ตรงนี้น่ะ อมันจะชาติทุกอย่งนนางชาติทุกปญาทุกทีเดียวนี้มันจะเกิดชาติเดียวนี้เกิดชาติเดี๋ยวนี้เวลานีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ามันมีมาก่อนแก้วได้แตกไว้นี้เสียดายเดี๋ยวนี้แก้่ระเหลืออยู่ในดีใจเดี๋ยวนี้อย่างนี้ ด, ในใ ด, นนดีใจโดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาควบคุมเสียใจโดยที่ใใว่าไม่มีปัญญาควบคุมมัน เนี่ยมันเสียหายถึงนั้นเนี่ยไม่ต้องดูอื่นไรเมื่อเรารวมรวมเข ม, มาในทั้งหลายเหล่านี้เราจะเห็นว่าพบเรามีอยู่ด้วยเปล่าถ้ามีอยู่เราจกพบไหมวรู้จกสมมติไหมเร้จกบัญญัติไหม น, นี่คือตัวอุปทานที่เราเรียกว่าอันนี้เราหรืออันนี้ของเรานั่นเนี่ยอุปทานมันไม้มีอยู่ ตัวอวบทานนั่นแนี่เป็นตัวนอนเนี่ยเป็นตัวหนอนแท้ทําชาติให้เกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่เราไปยึดอะไรเนี่ยยึดอะไรหะไรหมยึดรูปรเวทนาสัญญาสังขารวินญาณยึดขึ้นเดียวนั้นประสุขเดี๋ยวนั้นทุกเดียวนั้นคุณเดียวนั้นเป็นเดียวนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อเรากระทบกันเดียวเนี้ย เมื่อตากระทบกระพูบเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวเนี้ยไม่จะเกิดเมื่อวานนี้หรือเกิดก่อนนี้ไม่ใช่ว่ามันนอนเนื่องอยู่ตรงไหนนะมันกระทบเดียวนี้มันเกิดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้อันนี้พระพุทธองค์ท่านเห็นมาอย่างนี้ดูจากะพบชาติในอายุธละที่เราอาศัยอยู่นี้ใกล้เข้ามาเดียวนี้ถ้าะ ร, รู้อย่างนี้เราจะได้ปล่อยได้ ภายนอกภายในอายตนะตาหูจมูกรื่นกายใจภายในภายนอกนอแล้วจะเห็นอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อื่นไม่ใช่ตายจากนี่ไปแล้วไม่ใช่ลุกจากที่นี่ไปแล้วเดียวนี้ตาเห็นลูกเดี๋ยวนี้หูฟังเสียงเดียวนี้จมูกร่วมกินเดี๋ยวนี้รืนร่นดิ่มรถเดียวนี้เกิดหรือเปล่ารู้ทันมันนี่ความเกิอดอันนี้เออ อันนี้ดีกว่าอันนี้จะต้องมีนิสัยเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลายผู้เห็นภพชาติของเราอย่างนี้จะเห็นว่าเราเกิดอะไรบ้างอเรามีภพอยู่ไหมเรามีชาติเกิดไหมไม่ต้องไปรู้หมอหรอกแต่ามามีเพื่อนร่วมดู อยู่พักกลางสมัยก่อนเคยปฏิบัติด้วยกันมานี้จากกันไปได้ปีน่ะเคยไปพบเมื่อสองามปีมานี้ลงตาเนี่ยท่ท่านปฏิบัติสติปัฏฐานเนียท่านมาท่องทันเทศด้วยนะเทศสติปัฏฐานท่องเอาเทศแล้มก็ยังไม่หายสงสัยพอปีนั่นลงไปเรมากราบเลยโอ้ยท่านอาจารย์แม่ผมดีใจด้วยเกินเนือนนี้ ทำไมเข้าไปรผวาด้วยเข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้อืมถ้าว่าไปทายพระไปเสียงทายพระพระเสียงทายเขานี่ยยกขึ้นว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้ายกพระนี่ขึ้นอะไรเงี่ยถ้ า, ากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วยกพระนี่ให้มันขึ้นเลยพอดีเสดไปยกพระนี่ขึ้นด้วยดีใจเลยนะ่เนี่ย ไม่มีรากฐานอะไรเลยนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นมาเราเป็นผู้ปฏิสุทธิ์เอาไปฝากแค่ก้อนหินนั่นแต่เราโยกปราขึ้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วผู้ปฏิบัติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เห็นตัวมันเห็นข้างนอกเห็นก้อนหินก้อนปูนไม่ต้อเห็นเจตนาในจิตของเจ้าของในปัจจุบันเดี๋ยวนี้อเรื่องภาวนาของเรามันเป็นกันเงินจะไม่สงสัยอะไรเลย ฉะนั้นอาจมาจะเห็นว่าการภาวนานี่น่ะดีแล้วแต่ว่ามันมีใครรับรองเช่นบทดังเนีน่โบทดังนี้เขาทำเขาคนทำเนี่ยนักเรียนป .4 เขาทำบทดังนี้ไม่ะเขาออกแปบเขาทำ แต่เขาทําได้ดีที่สุดใจว่าเขาไม่มียี่ห้ อ, อเขาไม่รับรองมรดษาปานิคที่มีหลักการวิชาการแต่เขาทําได้ดีอือันนี้มันเป็นอย่างนั้นศัจธรรมก็เป็นอย่างนั้นที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้มากมาย อกแตร่รู้ว่าเห็นว่าอันนี้มันประกอบโดยทุกมันพาเราเป็นทุกมันวางสิ่งทางในเรานั้นได้อืไม่ต้องไปสืบสวนตรงไหนเราให้หดูจิตของเจ้าของเท่านั้นดูเรื่องอันนี้พอๆ อ, อ, อย่าไปวุ่นวายอะไรมากปฏิบัตินั่นอย่าไปสงสัยมากเลยอือที่มันสงสัยนั่นก็คุมมันมาซะมันเป็นอย่างนั้นเองจิตยังเป็นอย่างนั้นเอ ง, ม, งมันวางมันวางนะ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 เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีไม่เป็นจะไปทาให้มันมีขึ้นมันเป็นขึ้นมันก็เป็นตันหาขึ้นมันก็เรื่องมันไม่จบอย่างนั้นไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ามันดับทั้งหมดน่ะมันดับดับด้ยวยความรู้ไม่ใช่ดับด้ยวยความไม่รู้จัก อันนี้ถ้าหากว่าเรารับรองของเราในตัวของเราอย่างนี้ให้คนอื่นเขาใช่อืมไม่ดีอะไรเลยอย่าไปสงสัยในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของเขาเนี่ยในช่องกลางนี่จะให้ปัญญาเกิดที่ถูกต้องที่สุดแล้ว อาจารย์มาใคยเปรียบให้ฟังให้ง่ายคนเราถ้ามันมีความยึดอยู่มันก็ไปรู้จักที่ยึดเนี่ยเป็นที่อยู่ของมันขึดนมาบนลังคาเนี่ยแต่พื้นนี้คนขึ้นไปตรงนู้นก็ไปจดบนลังคาแล้วมันก็ถึงลังคาแล้วเท่า น, นั้นรู้ถึงแค่นั้นโดนลงมากระทึงพื้นเท่านั้นเนี่ยนี่มันรู้จักแล้วอะเพราะข้างบนนั้นมันกระทจลงังคาข้างล่างมันกระทจพื้น คนเรามันจะรู้สึกเท่านี้หากขึ้นไปบนนาคามันจะโดดลงมาพืบอย่างนี้มันก็รู้สึกเต่บายอยู่อยู่หลังคาแล้วก็อยู่กับพื้นระยะกลางเนี่ยไม่ใครรู้จะมีใครรู้จั ก, จกเพราะอันนี้มันมีเครื่องวัดเป็นอากาศยังไม่มีเครื่องวัดแต่ว่าจากลาคขาม า, าเพื่อนเนี่ยมันจะกี่เม็ดกี่เซนมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้น แต่คนที่หล่นลงมานั้นไม่รู้เรื่องก็เพราะไม่ได้วัดไม่ในวัดมันก็ยังเหลือเม็ดเหลือเศษของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เสียหายไปตรงไหนหรอกมันเป็นสัจธรรมอย่างนั้นตกลงมาแล้ววัดใหม่ก็ได้มันจะมีกี่เม็ดมันก็ยังเหลืออยู่เท่าเก่าเหมือนนั้นถึงคนจะโด่นลงมาหรือไม่โล่นลงมามันก็เหลืออยู่เท่าเก่ามันสัจธรรมอันนี้ไม่มีอะไรไปตรงไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างนี้อืมที่เดียกว่าที่ไม่มีพบ อยู่ย่านกลางเนี่ยไม่มีไม่มีเครื่องหมายอะไรเล ย, เยตอบไม่ได้คนเราตอบไม่ได้เช่นว่ายก ง, ง่ายในปัจจุบันนี้ไอเ้เด็กๆที่มันประพฤติธรรมะกันอยู่หนึ่งมันอยากรู้ว่าพาระ น, นิพพานนี่พระนิพพานมันเป็นยังไงถ้าเราพูดไปถึงถึงวันช่องที่มันไม่มีพบเดีวมันไม่อยากไปแล้ว มันถอยหลังเห็นไหมว่ามันดับสงบมันอยากจะรู้จักว่ามันจะอยู่ยังไงกินยังไงอีกนะตรงนั้นมันเป็นอย่าง้งมันไม่จบแต่ทีหนึ่ง<ม>ฉะนั้นปัญหาของคนจะรู้เรื่องจริงๆนั่นก็คือเรื่องปฏิบัติ<ม>เรื่องปฏิบัติเท่านั้นแหละเป็นอาจีพพบพระพุทธ อ, องค์เล่ ถามว่าท่านเป็นดุษิีใครใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านฉันกับทะรูร้ลัวตอนเองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของฉันสถา ท, ทันนี้เลยคือบอกตรงเกินไปไมันไม่ดูเรื่องจะบอกอยกกรแค่ทั้งวันเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นก็จิตของมันไม่เคลื่อนจากที่ของมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไอคนเราจะมีปัญญากับเพราะการปฏิบัตินี่ขึ้นมา จะหา้ความสงสัยแท้จริงกัเรื่องการปฏิบัตินี้เองจะไม่ไฟังการฟังที่ทำฟังทำรับรู้เอาไปปฏิบัติแต่ความจริงเนี่ยมันจะเอาตามคนเอาตามความรู้สึกตามเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมาอย่างหยิตใจของเราเนี่ยฉันชอบอย่างเนี้ย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 สงสัยอะไรในการปฏิบัติหนึ่งมีรู้จักในการปล่อยที่มันไหลอยู่นั่นน่ะดูมันเอถอดดงนั่นไม่ใช่บบาปล่อยไม่ดูมันนาต้องมีส ต, ตินะที่พูดไปทุกระยะนี่เป็นผู้มีสีงควอบคมอยู่เสมอ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 แต่เราไม่้ความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปอย่างนี้ถ้าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจะมาพูดคำศัพที่ทันว่อโรคกิทูรู้แจ้งโรคคือโรคอันนี้มันเป็นสภาวะเขามันอยู่อย่างนั้นหรือจะรวมมีง่ายกับโรคคือหรือคืออารมณ์ พูดกันง่ายๆก็มาที่สุดซะโลกในถ้าพูดดิมมันกว้างอารมณ์เนี่ยเป็นโลกพูดง่ายๆโลกอคืออารมณ์อารมณ์คือโลกหลงโลกก็คือหลงอารมณ์หลงอารมณ์ก็คือหลงโลกอโลกกะวิทูรู้แจ้งโลก ว่าโรคมันเป็นไปยังไงอะไรยังไงไหมอย่างนี้ให้รู้เรื่องของมันคือมันเป็นไปตามแต่ภาวะของมันอยู่อย่างนั้นให้รู้เท่าทันมันเสีย อ, อย่างที่ท่านสอนมาให้รู้เท่าสังขารปัญญารู้เท่าสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรฝ่ายรู้เท่าตามความจริงของมันอย่างนั้นก็เรียกว่าปัญญารู้ไม่ได้ขัดข้องมันอืม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 ละบาปนี่ถ้าคนไมนมีศีลนี่มันร้อนมันร้อนคือทําให้มันเย็นนะถ้าคนละความชั่วละบาปแล้วมันก็เย็ น, นเย็นไม่มีโทษอาการที่ไม่มีโทษนี่แหละอันนี้สงฆ์ที่มันเกิดขึ้นมานี่เนี่ยมันจิตสงบมันจะเป็นสมาธิอืมเมื่อสมาธินั้นน่ะมันใสสะอาด เออมันจะมองเห็นอะไรหายอย่างอย่างน้ำที่มันไปกระเพื่มไปมองดูไม่ใช่เห็นแต่หน้าเราไม่เห็นถึงลังคาโน้นอะไรนกมันวินผ่านมามันก็เห็นนมันเรื่องอันเดียวกันทั้งนั้นแหละเหมือนกันกับมาม่วงว้เดียวอืมลูกเล็กๆมันก็ใบนั้นมันโตขึ้นมาก็ใบนั้นี่ยอืมห้ามก็ใบนั้นสุกก็ใบนั้น อันเดียวกันสีมันจะเขียวได้เหลืองก็อันเดียวกันเทั้นั้นซักเท่าว่ามันเปลี่ยนแถวนั้นเอก็จากทีนั้นถ้าเราเข้าใจง่ายๆอย่างนี้มันก็มันก็สบายขึ้นความสงสัยมันก็น้อยเข้าถ้าเราไปขยายมันออกไปเส้นกว้างโอไม่ทนค้นจำลาเลยไม่ทนเคินข้นจำลา ไม่รู้ว่าองไงต่ออะไรเลยวุ่นไปหมดทั้งนั้นท่านั้นต้องตามดูจิตของเรานั่นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตามรักษาจิตของตนคนในตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะข้นจกห่วงของมารทั้งมารทั้งบ่วงนี่ดูเิ จะก็นั่งพิจารณาให้มากทีนี้ดูไปนี่มามันจะเป็นแปลอะไรมนะท่านพูดจะย่อขนาดนี้นะอืมไอ้วิธีอาตมานี่มันก็แปลกนะบวชมาปฏิบัติมาเนี่ยสงสัยมากแต่ไม่เคยไปถามใครให้มากแต่รอท่านอาจารย์มั่นอาตมาก็ไม่เคาไปถามท่านอยากถามอยู่แต่ไม่ถาม ใ, ใครๆก็มายืนนั่งฟังอ่ะนั่งฟังนั่งฟังท่านเจอไปฟังสงสัยอยู่ก็ไม่ถามจะไปถามคนอื่นคล้ายๆจะไปยืมมีดคนอื่นมาปาดซะเราไม่เคยมีมีดเออไอ้ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเออไม่ไม่เคยถามใครโดยมากไม่เคยถามใคร ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ปีสองปีก็นั่งฟังธรรมท่านอยูะแก่เองหาเองแก่เองหาเองแก่เองไปในธรรนองนี้แตกจากสาวกอง์อื่นเป็นยังไงแต่มันแยบคายดีนะสบายแต่พิจารณามันเห็นขึ้นเองมันเห็นขึ้นเห็นขึ้นเห็นขึ้นเห็นขึ้นตามสัจธรรมเนี่ยมันดี มันไม่ลื ม, มไม่สงสัยมันไม่ลืมอืมเอาสงสัยอดีตว่ากันดิโ ย, ยมโยมออมพรนั่นนะ่ะที่ไหนเราไม่มาด้วยน่นนะือ ม, มีอะไรไหมนะ่ะอยากตังจําำด้วยนั่นนะอือัตมาว่าอยากไปสงสัยในมันมากเหรอปานนี้ค่อยมันไว้สักถ้ามีอะไรก็พิจนาน น, านั้น เรื่องที่มันสุขมันทุกข์มันเป็นเรื่องของสังขารดังกายของเราอย่าเลยไปติดมันเท่านั้นเนี่ยนั่งสมาธิมันเหนื่อยเหนื่อยกว่าพลิกมันทีอดมันเตรียมทนแลวกว่าพลิกมันทีให้มันมากดีปานนี้แล้วอืมทำสตินั่นให้มากพอ เดินไม่มากนั่งไม่มากอะไรไม่มากทำสติให้มากที่สุดให้มันรู้ทัวถึงซะพอสำหรับคนแก่ฟานนี้ให้เอาคำที่อัตมานี่ไปพิจารณาดูเถอะเรานั่งสมาธิก็ดีเราจะเดินจงกลมก็ดีอะไรก็ดีเราปฏิบัติมาอะไรมันเกิดขึ้นมานะอืม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 ตัวนี้แต่ตัวสำคัญที่เราไม่ก้าวไปก้ามาเราอยู่นิ่งอยู่กับที่มันน่ะบอกแค่ว่าอันนี้มันไม่แน่บางทีมันมันมันมันเสียดายจนน้ำตามันจะไหลออกก็เดียวอันนี้ไม่แน่ไอความโรูความปวดทุกอย่างมนกระทบกระห็นบบอกคำเดียวแค่นั้นแหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจนอันนี้มันไม่แน่กระทิมันจะได้เลย เอาทุกทีทุกทีลองลองดูก็ได้ไม่ไม่เอามากเอาเท่านี้อืมอันนี้เป็นเรื่องให้เกิดปัญญาอืมอมีเรื่องเรื่องอัตมาไอฟะบานานี่ไหญ่มากกับเพื่อนเขาหรอกเท่านี้เรื่องที่สุดมันจนมุมมันเอาเท่านี้นี่ไม่นด้วยแน่ไหนทุกอย่าง มันจะรวมอยู่จุดนี้หมดถ้าหน้าจิตที่มันเกิดขึ้นเย่าไปนับมันเลยมันไม่ทนนับหรอกอาการของจิตเมื่อนั่งสมาธิมันจะรู้อันนั้นมันจะเป็นอย่างนี้บางทีมันเป็นอย่างนั้นอะไรทั้งนี้ทั้งหลายเราเนี่ยไม่คานนาที่เดียวแต่ตรงนี้อย่าไปตามมันมากเลยบอกแกบ้านมันไม่แน่ตอนนั้น ก็พอแล้วง่ายจะก็หยุดอยู่แล้วมันจะเกิดของลูกขึ้นมาจะไปยิ่งตามให้มันมากเรื่องพูที่จะพิจารณาจริงๆนั่นอ่ะมันไม่ได้คิดอ่ะพอแต่หูตาหูใจมูกยื่นกายพอกระทบปุ๊บมันออกไปเองมันพยยนยยิจารณาเองไม่ต้องเอาอะไรมายกขึ้นนี่มันมากมันยกเองของมันบิ๊กตกน่ะคืออะไระมันเรื่องยกขึ้นมาแล้ว